ปฏิบัติเป็นโลกก็มีปฏิบัติเป็นธรรมความมีปฏิบัติไม่ถูกมันก็เป็นโลกทั้งหมดเราเลือกเป็นหาปฏิบัติแต่ทำ ม, มันเดียวจึงจะถูกกับความประสงค์ของเราพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านเทศนาธรร ม, มะพระสองฆอง์พระเจ้าท่านก็เทศนาธรร ม, มะ เราไปฟังธรรมเขาเรียกเ่าไปไปวัดไปวาไปฟังธรรมอะไงนี้เป็นต้นคือไปฟังธรรมคาสอนคือเจจริงไม่ใช่ไปฟังโลกไปฟังเรื่องโลกนั้นมันไม่อดสงบที่ไหนที่ไหนมันก็มีฟังโลกอยู่บ้านก็มีอยู่วัดก็มีอยู่ป่าอยู่บนภูเขาก็มีเรื่องโลกคือมาคุยคือเรื่องบ้านเรื่องเมือง พูดถึงเรื่องการธรรมาอาคิดพูดถึงเรื่องการเพลิดเพลินสนุกสนานไปทุกจิตจิทุกประการส่วนถทมนั้นพูดถึงเรื่องเข้ามาในตัวพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นทาง <c oughs> แ่ที่จริงก่อนโลกกับธรรมกอนเดียวกันนั่นแหละอย่างที่ท่านว่าโลกกับธรรมหรืรว่าธรรมของโลกฟังอะไรฟังก็ชอบกดอยู่ฟังยากๆอยู่เหมือนกันนั่นแหละคือหมายความว่าให้เข้าใจง่ายๆ โลกธรรมคนว่าไงที่ว่าธรรมของโลกมันฟังยากเลยให้ว่าโลกธรรมล้วก็แล้วกันมันมีทั้งโลกทั้งธรรมเน้นในมดอย่างว่าทุกข์อั น, นีนกก้ก็เป็นโลกทุกก็เป็นโลก สรรเสริญก็เป็นโลกมินทาก็เป็นโลกได้รากเสื่อมรากได้ยศเสื่อมยศได้สุขแล้วก็กลับได้ทุกข์อันนี้เป็นโลกโลกมันได้มีอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแต่เราเนี่ยมื่ทันเกิดขึ้นมาในโลกก็มีอยู่อย่างนั้นไปจำอยู่ทั่วทั้งโลก แล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็มีอยู่อย่างนั้นถึงแม้เราตายไปก็ของอันนั้ น, นมีอยู่ในโลกจึงว่ามันของโลกอันนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ตัสสู้ในโลกอันนั้นแหละไม่ใช่เ อ, อันอื่นมาตัดสู้ตัดสู้ของโลกอันนันคือพิจารณาถึงเรื่องถุก เห็นทุกชัดตามเป็นจริงแจ้งในใจในพระัยของพระองค์แล้วคนขั้วถึงเหตุให้เกิดทุกรู้ชัดตามเป็นจริงโรงคปล่อยวางลงไปได้ไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของตนทั้งตัวอาแดนก็กลับเป็นธรรมโลกือกลับเป็นธรรม เห็นโลกแล้วเป็นธรรมนั้นแหะถูกต้องถูกทาตามคำสองโองแท้จริงไปเยอทุกข็เหมือนกันทุกก็เหมือนกันทุกทุก็เหมือนกันนั่นแหะพิจารณาเห็นทุกมันเกิดจากอะไรมันมีเหตุปัจจัยมาอะไร อ้นคัวถึงเรื่องทุกข์ถ้าเจนเสียงแจ้งโดยใจของผมโดยปัทไทของผมเนะีมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาสน์ทุกข์วันั้นมันกลับเป็นโลกอีกพิจารณาทุกข์วันั้นให้เห็นชัดตายเป็นจริงอีกปล่อยวางแล้วไได้มันกลับเป็นธรรมอย่างนี้แหละเรียกว่โลกเป็นธรรม จริงว่าโลกกับธรรมนั้นมันมีทั้งโลก ท, ทั้งธรรมในานั้นท่านพิจารณาเป็นก็เกิดเป็นธรรมพิจารณาไม่เป็นพิจารณาไม่ถูกก็กลับการเป็นโลกไม่ได้มีในที่อื่นหรอกธรรมไม่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งไปหาในก็ไปหาเถอดเศษแวงหาธรรม ไปในโลกในป่าไปในภูในผาต้องการหาทับขึ้นเหนือล่องไตต้องการหาทับแท้ที่จริงทำในตัวของเราเราดันพาไปพาทำไปทำในตัวของเราก็เลยไม่รู้พาไปเที่ยวทุกทิศทุกทางเมื่อจะเห็นไม่เห็นในนี้ เข็นทําเกิดในตัวของเรานี้ยไม่ได้ไม่ในที่อื่นเราพากันหาแล้วนี้ก็หาธรรมนั่นแหละปฏิบัติเพื่อหาธรรมเราก็ปฏิบัติทุกวันวนนนี้เลือกธรรมเป้นหาธรรม มันปะปนกันอยู่ในนี้หมดตัวของเราย่อมประกอบไปได้ด้วยจริงต่างๆทั้ ง, ทงภายนอกและภายในน้ <c oughs> ภายนอกคือเรื่องของโลกภายในคือเรื่องของจิตของใจนั่นเองมากอยู่ภายในมากกว่าอยู่ภายนอกซะ อ, อีก ที่ว่าโลกมันกว้างเลยทีโ่โลกมากขนาดนั้นที่โลกมันมากขนาดนันนทั้งของไปนอกยังนับทั่วถึงเลยภายในยนี่นับไมทั่วถึงเลยที่ยิบทีเดียวในตัวของเราไม่ทราบว่โลกคือธรรจึงให้หาตัวของเรานีแหละหาที่ในตัวของเรานี่ <c oughs> ว่าหาทับที่ตัวของเราตรงรู้อบิรวมทับของเราไว้ให้มันได้อย่างพระเวชท่นดอนท่านตัดกับต่างวันศีลน้องเอ๋ยจงหาจงเลือกรีบรวมทรัพย์ที่มีในตัวของเราสิรีบรวมทับที่อันมีค่าเสีย ทรับมีค่าคืออะไรในตนัวงเรางามวนสีสงสัยยิ่งถามทวนถามเุิดเวศทรับคือมีในตัวของเหล่านี้อะไรบ้างได้แก่คุณงามคุณดีทุกประการรีบรวม อ, อมันได ถึงผู้ได้ฟังเบื้องต้นว่าให้รีบรวมทรัพสมบัติที่มีในตัวของตนให้พออยากให้มันป่าโนกับเลือกออกทิ้งใดอันที่เป็นตนข้งตัวทับที่เป็นของตัวและเป็นของปีกย่อยอันที่ปีกเครื่องอุปกรณ์ในตัวของเรา ให้รู้ทีทวนทุกสิ่งประการแล้วเลือกเส้นที่ย่างๆไว้อยามฝ่าฝนในเมื่อเราจะจากมันไปคนเราไม่แน่เหมือนกันหนุ่มจากแล้วก็มีแก่จากแล้วก็มีขนาดกลางแก่จากแล้วก็มีจากทรับเหล่านี้ แต่ว่าคนเราประมาทสนแก่เฒ่าชราก็ไม่สามารถที่จะเลือกเฟ้นทรัพย์งิตนไว้ให้เป็นสิทในส่วนใดปาคนกับปหมดหากว่าเราละโลกนี้ไปสู่โลกข้างหน้าไ ม, ไม่เลือกเฟ้นไว้ เมื่อไปอุบัติเกิดขึ้นในพระโลกครั้งหน้าตะขี้ออกไปมันก็จะมีหมดทุกสิ่งทรื อ, อย่างที่ยังไม่สบสมเอาอะไรมาเป็นสาระของตัวัวครบที่ควรริบรวมในใจของตนไว้ในใจของตนนั้นเทศนามีสามอย่างมีสี่อย่างคือทาน ตื่นหนึ่งสมาธิปัญญาสี่อย่างนี้นั่นเป็นทรัพย์ของเราที่ประมวลเข้ามาโดยเฉพาะสรุปแล้วแล้วมีสี่อย่างเท่านั้นถ้าหากเราทำทานไว้มากๆจะข่าวเจามากๆ มากในหมายความเรื่องใจฟักใยแน่วแน่เต็มที่ไม่ใช่ของขายนอกที่เราทําทานมากๆยังเรียกว่ามากอันนั้นไม่จริงมากด้วยใจต่างหากความเลื่อมใสพอใจยินดีต่างหากของนิดเดียว่แต่พอใจยินดีเรื่อมใจยิง่งอันนั้นเป็นของมาก <c oughs> เราทราสงไม่มากมากตนนั้นแล้วคุณใจกับทรัพย์ของเราใครจะ ว, ว่าไม่จะว่าไป่ถองอุดใจพอใจเต็มใจกับทรัพย์อนั้นเพียงของมั่นคงแน่นอนทีเดียวอย่างเราหาสมบัติเข้าของามากๆทรัพย์งเงินทองามากๆ คันหาว่าเราตายแล้วยึดจะไม่หยุดเลยตอนนี้ยิดไม่หยุดเลยพุ่งออกไปหาซัพกมันของมองนันกุ้นอันนั้นก็จะได้อันนี้ก็อยากมีอันนั้นก็ได้ซื้อไว้อันนั้นก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรต่างหลายเรื่องหลายอย่างมันไม่อยู่คันทักที่เรา ทำทานแล้วท่าสมไว้มากๆในตัวของตนพอแล้วอิ่มแําไม่คิดอยากจะซื้อนั้นต์นี่ไม่คิดอยากจะสร้างนะสต่างนี้ไม่คิดอยากจะลงทุนอย่างนั้นนี้ไม่คิดเลยความอิ่มใจพอจใจแน่วแน่ในใจของตนอันนั้นเรียกว่าเจ็บจับไปการทําทาน ครบบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการในนันหมดไม่อยากได้อันนี้ทรยบที่เราทราบผมมาได้แล้วอุ่นใจแล้วไปไหนก็ไปเถอะครับยิ่งตื่นเต็มตื่นในใจของตัวอยู่ตลอดเวลามีตอนหนึ่งอะ ภาพกองหนึ่งแล้วเอาเดีวเก็บไว้รูปรวมไว้การรักษาศิลเท ว, วิตติงดเว้นจากโทษนั้นๆเราเชื่อกรำรเชื่อผลของกรรมว่าเราละบาปกรรมนั้นๆเป็นบุลบุญกุศลเชื่อกรำทั้งตนทัวอย่างนี้ แน่วแน่ในใจของตรใครว่าไหมแต่ว่าอิ่มใจอยู่นั่นเนีเขื่รน ง, งดเวยียาแยขาดสักรักษาบประิดีชาการกลากลัวหอบอุตสาเดือดรามีไรเลียเ้ยงตักแต่ละคอละคออิอ่มเลยอิ่มอะไรไม่เท่าอี่มอนี้หรอก การนรี้เห็นครบบริบูรณเจริญสีรางสติอยู่เสมอเสมอสม อ, อิมยิ่งก็เขา้าดิกระฐานเข่าอีกรับฐานเขา่ <c oughs> า, ขายังมีหิ ว, รวหกระฐานไม่ได้นอนก็หิวอันนี้ไม่มีหิวเลยเต็มเติ้ลเยื่ดอพร้อมตัวเอง นอกจากนั้นยังแสดงออกมาผิวพันภายนะภายนอกคนที่มีสีน้ำสมปูรนุบุญทุกประการนะทีหน้าก็พ่องใสสะอาดยิ้ยมแย้มแจ่มใสทุกประการเพิดเพลินเจริญใจในตวัวองตนอยู่ตลอดเวลา เชื่อว่าจิตเรารักษาได้ทุกข์ของนั่นน่ะจะเชื่อว่ารวบรวมรับไว้ได้ของจิตสองแต่คนเราน่ยมันยากที่จะรักษาทิ้นพ้าได้แต่มาเคยวัน ญ, ญัิอีกอย่างหนึง่งแต่แม่นอกเหนือจากพุทธบัญญัติ รักษาสินคอเดียวจะมาว่านั้นไม่ต้องรักษามากเรักษาข้อเดียวเั่านันตั้งใจจริงๆกังจังรักษาให้ตลอดหลอดฝั่งเอาข้อเดียวสามเดือนหรือหกเดือนหรือปีหนึ่ง ให้ได้ตลอดเวลาเอาข้อเดียวมานะสมมติว่าปีหนึ่งได้จิตข้อที่เอาะ่ะปีที่สองก็รักษาอีกข้อที่สองถ้าชินาปี ท, ที่ปีที่สามรักษาอีกข้อหนึ่ง ปีที่สี่ที่ห้าคราบริบูรณ์เลยศีธาห้าปีได้ศีธาขอเอาแล้วป่ะ น, นะดีแล้วดีกว่าที่เราจะไปสมทานศีลไปก่อ่หรือเวลาศีลสมทานศีลทุกวันพระแต่ศีลไม่ติดตัวไปถึงใส่บ้านหายหมดหรือออกจากเขตวัดเลยหายกลับคืนมาของเก่าถ้าเป็นคนรักษาศีลไม่หา อย่างผมมาขอสินกับสมทัยสินชิ่ดังยาชามะขอสินอขอสินจะผ้าผ้าสิ่งนี้ก็คือให้ไปให้ไปแล้วสินไม่ติดไปสักตัวเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรอย่าผู้รักษาสินขอเดียวไปได้ ทั้งใจรักษาจนตลอดไม่ขาดตัวหัว ข, อขอ้อชิ้นคอเดียวแล้วข้อสิ้นแต่และขอล้ขอละคอไม่ได้ก้ า, าไก่กันโคดไม่ได้ก้ า, าไก่หรืออันนีกสองก็ไม่ได้ก้าไก่เช่นว่าฆ่าสัต วาบกรรมกัปบประจกนารกคนจารนรกก็เป็นเศษและเกิดกายสติรักษาน่าเรีงต่างต่อก็จะมีอายุสั้นเกิดเป็นคนบ้าใบเสื้อจสบียดผิดมนุษย์ษอันนี้เรียกว่าโทษของขิดข้อที่ข้อที่2 อ, อายารกระจกนารกคนจารนรกเป็น คนทุกคนจนคนอนาณถาหาคนนิยมนับถือไว้ได้ไม่ครับจีนข้อที่สองเป็นก็ได้รักษาเทนนั้นรักษาจินข้อที่หนึ่งก็ให้มันได้สมบูรณ์เียก่อนเราจะก็รักษาข้อที่สองจบอันนี้จะมาคุณง่ายจำไว้นด้พวกโยม ลองไปรักษาลองดูก็ได้ไม่ยากอะไรนะรักษาคนเดียวนะ <c oughs> รักษาวิธีใหม่ลองดูรักษาจิตการที่รักษามาแล้วมันมันมันไม่ครบรักษาอย่างนี้ครบเดียวจะมาบอกว่าค ร, ครบเลยห้าปีได้สินหาอ่องสบายได้แล้วกอนอันนี้ เราประมวลซับไปขอนึงในสองของ้อข้อที่สองก่อนเรารวบรวมซับไปได้คราวนี้เรียกเข้าสินค่ะในสมาธิแล้วครับเมื่อเรามีสินครบบริบูรณ์อย่างนั้นนะ้อิ่มใจพอจัดจิตใจมันแนวแน่มีลาะสติเอาสินเป็นอารมณ์ เป็นอุปายให้เกิดสมาธิต่อไปคิดนแน่ๆก็เรียกว่าสมาธินั่นทีจะเรียกอะไรอีกคิดไว่แน่ๆพระวับโวนหองใหญ่กังวลเกี่ยวคอ้องึกเป็นโทษกรรมของสนเดือนร้อนหุ่นวายตลอดเลยล่ะมันจะเป็นถิ่นได้อย่างไร บางคนเขาบอกว่าศินไม่ต้องรักษาทำสมาธิทีเดียวหรือสมาธิก็ไม่ต้องรักษาวนะเอาตัวปัญญาทีเดียวทีเดียวเลยโอ้โ ห, โโหไฟใหญ่ทีเดียว ม, ม, ย ม, มันต้องมีสมิต้องมีทานต้องมี้ศีลต้องมีสมาธิต้องมีภาวนาไม่ใช่เกิดภาวนาแล้ ฐานก็เป็นอุปกรณ์ของสมาธิได้เหมือนกันถ้านแนวเกิดความแน่วแน่ในจิตของตนเชื่อมันในจิตของตนมันไม่พอกแบกไปไหนมันเป็นสมาธิได้เหมือนกันเจ็ตัวยิ่งแล้วมันจิตแน่วแน่ใสสะอาดของสายวิสุทแล้วก็เป็นสมาธิในตัว <c ười> ตัวสมาธิเป็นของสำคัญมากฟอกจิตฟอกใจให้ใสะอาดแน่แน่จนถึงก็เป็นสมาธิ <c oughs> สมาธิน่ะทุกคนน่ะพุทธ ด, ดในพุทธศาสนานี้ต้องพุทธดสมาธิ จึงถึงก็พูดประทับประจุจิตไม่แน่แน่จะถึงได้อย่างไงถึงจะพุดประทับประจุจิตมันต้องแน่แ น, แนก่อนสิเมื่อจิตมันไม่มีหลักทับสายไปมาหน้าละไม่ตั้งมัดท่านจึงสอนเองเอาพุดโทร เป็นคำบริกรรมเป็นเครื่องผูกอาพุโทโธนั้นผูกติดไว้หรือจเอาวัฏนาเะติอีนาปาระติีก็ได้จะให้เอาวันเดียวจิตให้มีตนมีตัวมันเป็นของมันมีตนมีตัวเอาได้ผูกมาอยู่หรอก เอาพุโทโธหรือเอามารดาเศรษฐีหืออาณาบาตเศรษฐีขุก ม, มันนี้ไปอยู่ให้อยู่ในนั้นแน่ๆอยู่ให้เป็นสมาธินนั้นเห็นนั้นยังว่าไม่ต้องขัดสมาธิเอาจะปัญญาเฉยๆโอ้โขยมันไกลเรื่องแสนไสลปัญญาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่มี ลองคิดดูสิคนเราจิตใจว่อนอยู่จะไปเกิดสัญญาได้มันมีแต่สัญญาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่อยู่มันล้มันพูดวายอยู่นั่นเรีย ก, กว่าสัญญาทัสมมติสัญญามันเกิดแต่สมาธิอย่างเดียวกับปัญญาคุศลศาสนาน <c oughs> เลือกเอาหน้าปลาเลยดีเป็นอารมณ์จิตจึงขยุ่อันนี้จะเป็นที่รวบรวมมัดให้แน่นทีเดียวสมาธิสิ้นก็ดีทานก็ดียางมาถึงแน่นสามาีาแ่แน่นแฟนเลยไปไปไหนอยู่ในอันเดีย ว, แ น, วแน่น อันนแหลเรียกว่าเรารวบรวมมัดไว้เรารวมไว้ของกองที่สามสมบัติของเราปัญญาที่ท่านเรียกว่าปัญญามันเกิดเจอสมาธิอนั้นปัญญาพัฒนาใช่ไหมมันสูงอันปัญญาพัฒนานะไม่ใช่ของงได้ หารวมศีลรวมทานรวมศีลรวมสมาธิเป็นแนว่วแนว่เต็มที่เมื่อไรคุณอนะ่ะมันจะเกิด ป, ปัญญาปัสนาปัญญาปัสนาไม่ใช่แต่งเขาแต่งก็ไม่ได้หรอกั้งแต่งก็เรียกเรียกปัญญามันเกิดเองเป็นเองต่างหาก มันรวมลงไปได้เมื่อไดนะนั่นอาจจะเป็นอีกเกิอดอีกและไม่ใช่มันจะเป็นบ่อยๆเป็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เป็นอีกปัญญาพัฒนาต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดปัญญาพัฒนาขึ้นมาสิ่งนั้งพวงมดเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนาศาศาัตตาภาพตามเป็นสิโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะให้เป็น มันเกิดเองเ็นดเงมันชัดแจ่มแจ้งถึงว่าทุกสิ่งทุกประการลง อ, อนิจจังทุกของอะไรตา่างมองดูข้างขารอบๆกัวของเราร้วนจะเป็นอย่างนั้นทุกกาทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่เป็นนันมันดไม่ด้ตั้งใจมันจะเป็นหรือว่ามันเป็นอยู่ยังไงก็ไม่หรือมันเป็นแล้วก็ไม่คิดอ่อ มันคิดมันไม่เป็นคิดอะไรเลยแต่มันเป็นอีกเกิดขึ้นมาอีกความเป็นสิงก็เป็นอย่างนั้นถ้าเจ้าพระสงฆ์เราทุกวันนี้จเจริญนิพพานเจริญได้ยังไงสมาธิก็ยังไม่เป็น ปัญญาภัฒนาม่สาวเป็นงไงกไม่รู้เรื่องให้ใจว่าตนมีปัญญาภัฒนาเกิดจะเกิดไอพิจณาได้รู้รอบรู้ทั่วว่าทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> มันยากที่จะรู้เรื่องของคนนี้ยากเรือเกิดให้บอกไม่ได้ รู้ด้วยตนเองเฉพาะตนเองใครไปบอกกันไม่ได้หรอกเรียกว่าริบรวมทรัพย์ของตนไว้ได้ให้มันได้ทันหาว่าเราจะดับจะแตกหรือว่ายังไม่ทันดับทันแตกก็รีบรวมมันได้ซะก่อนเมื่อมันจะดับจะแตกเมื่อมันจะตายจริงจรงจัง จะไปเรียกร้องให้นึกกับพุทโธเป็นอารมณ์เนอนึกพุโทโธเป็นอารมณ์มันจะเป็นได้อย่างไรได้อยู่ดีๆมันอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่นึกได้นึกพุทโทไม่ไม่ได้สัก ท, ทีอทํำสมม่เพ่อหน้าก็ไม่ได้ในเวลานั้นมันก็แับกจะต า, มะายมันเกินจะตายมันยิ่งทู้ส่หนร้ายมากกว่า น, นี้อีกอยู่ดีๆมันก็ไม่ได้ทํามันก็ทําไม่ได้ เหตนั่นจึงพาจะรีบเร่งทําเสียเมื่อทําได้แล้วจงพยายามรักษานั่นไว้ได้และพยายามทางสมอบรมให้มันชำนินาหนาไว้ใช้ในเวลานั้นเหมือนจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตนอันนี้เรียกว่าหาทรัพย์ไปสําหรับใส่ หาทา่าเปนสำหรับตัวของเรา <c oughs> เอาแล้วเท่นานะั้นแหะเอาจ้งตั้งจิตให้มันดีคำว่ า, าตั้งจิตในที่นี้นะ่ะหมายความว่าตั้งให้มันหมัดพอมันร่วมเรียกว่าไม่ตั้งของมันมันตั้งอยู่จึงเรียกว่าตั้งตั้งมันโกงตั้งมันแน่วแน่ตั้งมันคงที่ <c oughs> เอาอันเดียวเป็นเอาพุโทโธเป็นอารมณ์ <c oughs> อย่างอธิบายไม่ให้ฟังแล้วนึกเอาพุโทโธเป็นอารมณ์หรือจะอานาปารสติก็เอาเอามานาสติก็เอาเอาอันเดียวเ <c oughs> มื่อตัง้งจิต จิตมันอยู่ตรงไหนให้ตั้งตรงนั้นเน่ยจิตมันไม่มีตนมีตัวเอาไว้ตรงไหนก็ได้เราจิตจะไว้ทํากลางภบก็ได้จะไว้พนชีสระก็ได้ไว้ปลายเท้าก็ได้แม้แต่จะเอาไปไว้ต้นเสาก็ได้เหมือนกันจิตตรงนี้มันไม่มีตนมีตัวจิตคือคู้รู้ มันรู้ตรงไหนไว้ตรงนั้นแหล ะ, ค, ะ <c oughs> คำว่าจิตคำว่าใจมันคล้องแปกเหมือนกันในคลองคนนี้มันเรียกควบกันไปไปจิตว่าใจแต่แท้ที่จริงอะ่ะเรียกสองชื่อมันก็มีสองอย่างจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้พูงผู้แต่งปัญญาลงตั้งต่า นั่นเรียกก็จิตใจคือคุณรูรู้ที่เฉยแจ่ไม่คิดไม่ปรุงมาแต่งความรู้เฉยอ่ะนะนั่ น, น, นสัวใจเดี๋ยวนี้เราฝึกหัดจิตันไม่ต้องฝึกหัดใจจิตที่ไปคิดนึกปรุงแต่งประปัดทุกอย่ากสัญญาลวงของมดเจยกวกิเล สิ่งที่เกี่ยวข้องขอพันของมันคิดได้สิ่งใดมันปรุงใน้สิ่งใดอันสิ่งนั้นมาลุกอมมาทับทมเราเองเดือดร้อนวุ่นวายตัวเองคือเสียใจเศ้าใจได้ดีใจอะไรต่างเราเรียกว่าจิต <c oughs> คนเราโดยส่วนมากเรียกว่าจิต ถามว่าจิตอะไรจิตอยู่ไหนอ่ะถามว่าจิตว่าพูดถึงเรื่องใจอีกด้วยใจคือตัวกลางใจคือของกลางกลางไม่คิดไม่นึกมันคงไม่แต่งกลางกางเลยอนะันนันตัวใจลืมคิดเป็นจิตคราวนี้พูดถึงเรื่องใจเลยเลยไม่คิดถึงเรื่องจิต ใจนี่มันใช่ได้ทั่วไปใจคือใจเท้าใจอะไแเนี่ต่า ง, งกลางเรียกใจหมดแม้แต่ใจคนก็ชี้เข้าไปทำกลางหน้าอกเลยจะใ้่ยิงมาอยู่เดีมันฉันอยู่ใดห้อยู่หมดอยู่ได้ทั่วหมดนัน <c oughs> <c oughs> คือไม่ไม่ทรงสายไปมาหน้าดัง ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่ตัวกลางๆนั้นเรียกว่าใจคิตนั้นใดใจนั้นเพราะพุทธเจ้าทางกเทศนาเหมือนกันนะใจอะไจิตนั้นจิตอะไรใจนั้นท่าพูดเหมือนกันนะอัการมันเป็นอาการแต่ลักษณะอาการคิดมันคิดมันนึกอัการใจมันเฉยเฉย ไต้พูดเดียวกันนั่นที่จริงมันจะพูดใลฟังต่อไปคือว่า <c oughs> คิดนึกปรุงแต่งสรพัดทุกอย่างสัญญาลกเกี่ยวของขบนันทุกประการถ้าหากเราเพิกถอนนั้นออกไปหมดเสียมันยังเหลือแต่ใจอันนั่นแะมันกลับมาเป็นใจอย่างนั้ น, น, น, ะ น, น, นจะไปคิด แต่ก่อนที่จะเพิกถอนพร็ได้มันต้องเห็นใจเสก่อนคือผู้กลางๆเสีกยก่อนทำไงจะเห็นใจเข า, าอย่างนี้เอาไม่ง่า <c> ย <oughs> ทุกคนนะเอาลองคิดลองลองทำลองดูนะกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งกั้นลมหายใจเลย มันมีอะไรในทีนั้นไม่มีอะไรเลยเฉยอันนั้นในตัวใจมันก็สมรบเขาว่าลมหายใจคือใจนั่นเองกล้าลมเนืมันก็หยุดเมื่อระบายหายใจออกมากมันก็ไปตามเรื่องอีกเป็นเป็นติดอีก เราหาตรงนี้แห่ะพุทธศาสนาที่ท่านสอนทั้งหมดมากมายลวงหลายตอนได้เห็นใจกับจิตอยู่แคงนี้ก็พอการสุกหาปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการที่ปฏิบัติในศาสนาคือปฏิบัติจิตให้ปฏิบัติใจให้ปฏิบัติจิต ดีชั่วหยาละเอียดบาปบุคุณโทษประโยชน์รู้เรื่องของจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตเรื่องแล้วนะรวบรวมมดทั้งปวงหมดเป็นเรื่องของจิตเมื่อรวบรวมแล้วเอาไว้อีกส่วนหนึ่งซะของกันนะอย่าไปคิดถึงอย่าไปอย่าไปคำนึงถึงมัน แล้วก็ปล่อยวางหมดก็ยังเหลือเด็ดใจก า, ารทำที่ยังเหลือเด็ดใจนะถึงแกนของพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติปฏิบัติเ ท, ท่านี้แล้วไ ม, ไม่ปฏิบัติมากมายครับแ <c oughs> กนแท้ของพุทธศาสนาลงที่ใจอย่างเดียว ถ้าจะสำเร็จว่าคนนิพพานกดลงที่ใจอันเดียวเนี่ยใจไม่มีอารมณ์ใจไม่เกี่ยวข้องกับ ป, ปันอะไดทั้งหมดแต่ว่าเราฝึกหัดนี่มันไม่ถึงมันไม่เข้าถึงอันพูดในฝาี้เป็นแต่อนุมานขอเป็นเรครื่องกำหนดพิจารนารู้ เวลาลงจริงๆ จ, จังแล้วมันรวมลงไปในที่เดียวหมดเหมือนกับคุยภาคษาดำเนินคดีทุกทั้งโจท์ทั้งจำเลยมารวบรวมกันได้แล้วมาอ่านขึ้นมันลังอ่านคาวิภาคษาอยู่ในที่เดียว ต้องไปหาเที่ยวสืบสวนนั่นนี่แล้วลงในที่เดียวเลยถ้าไม่ใช่นั้นแล้วมันก็ยุ่งเลยที่ไหนมันจะแล้ ว, ลวทั่วไปสักทีลงที่เดียวมันยังก็หมดเรือไม่ได้ที ทำสมาทิภาะนาะเอาตรงนี้แหละอา